ปุญญานิปารโรกัสเมงปฏิทาโหติปานินันติติขอนอบน้นมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระเทรานุเทระและขอเจริญพรมายังพี่น้องญาติโยม ชาวบ้านของเราและบ้านใกล้ชิดติดกันโบล่านเพลินว่าเมนสิถ่วมแหล่งขาดแวงโบสมบูรณ์ประเพรี่ทั้บุญพ่อเมี่ยฮาบโบเคยทิมเอาความดีเป็นลิมสลักใจไวค้คงทีสามาขี่เห็ดไว้โบไล่ทิมเห็ดข้องเมนสิถูกยางหายขอขอนแรงง่ายโบฮอนลืมสินรรำพมเพียรรักษาไว้โบเด่ไล่ล่าทิมค้องถ้ำเหีดเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮ้าได้ดอกสั่งซ้อน เมื่อนีเมาสืบห้อยตาว่าห้อยพ่อห้อยเมยีของเข้าทํานูบำรุงบววอนพุทธศาสนาบ้านก็วัดกทัทถอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกันสามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกิดมาคููคนไทยของเข้าประหยัมยมหดไม่ยโยมเข้าเสด็สดับรับฟังปัสทธรรมเทศนาเท ศ, เท ศ, เท ศ, เทศแหล่เสียงนิสานเพื่อวาสิเขาใจง่ายยกบุคคลาธิฐาน เกิดมาเป็นตนเป็นโตให่พ่อให้แม่เขาได้บ่กเออผู้นี่เป็นอย่งสี่นอหนี่โตบาปนี่โตบนนี่โตดีโตบดีผู้บาอาจารย์ทั้งสามกัเสียได้ปลาลมสาทะยายให้พ่อญาติแม่ยมได้สดับเราฟังเข่าสู่ทองเรื่องนีท่านทำมนันเองเอาเรื่องค้อยบักตู่ตื่นขาดนักปาดลืมค้องมันเป็นอย่างจังตื่นขาดค้อยบกตู่มันตื่นรถอีแตกบก่จังตื่นขาดบ่เดืขาดหน้าดน มนีมีสามบทสามบาทมีท่านจานบุญมีเล่าเคยปวดเลี้ยนมาไลายพันสาทึงพาทึงเนีน่ยล่วมแลลว4ี่สิบพันสาด้วยบุญวาดสนนะสาไซแน่นหน้าแกนขาดแต่แท้แน่นแต่ฝ่าก็อกันมากคือตานางหลุดได้ไปไม่ออกคำบุญสีแต่งานกันบาดเท่าย่ายเอ้ย4ี 40, ่บพันสากับสิสิอของมาอายุหาสิบปีก็เลยบ่ได้ลูก กะหักแพ่งกันทลาย ก, กับเมเทาบุญศีในมู่บ้านนั่นกะมีวันแท่งหนึง่งมีท่านหลวงพ่อท่องสาหลังจากจาันบุญมีศิกเหลี่ยมหยาดย่อมก็เป็นนิมนต์หลวงพ่อท่องสามาจำพรรษาหลวงพ่อท่องสาเห็นวาสลาห่างร้อยสิผ้าส่างผ้าเปล่งจังได้แน่หยาดย่อมเขาก็จังคอยสดับรับฟังแน่นดับต่อไปสําหรับตําแหน่งแสดงหน้าที่ท่านหลวงพ่อท่องสา ตวายตําแหน่งเนี้ยท่านพระอาจารย์บุญเรืองเตเชะโรผู้ยุทธ่างด่านใส่มือความอัตมานเดอเจ้าอาวาสวัดบ้านน้องหินบ้านน้องหิ น, นหตะบนโนอนกลางอำเภอสัโรงุงจังหวัดอุบรราชธ า, านีหลูกในบ้านบ้านในกระทางไม่ใหญ่บ้านน้องหินนี่ละพโอวาบ้านในสวนดอกเดือกหน่อยผู้ขี่ดื่มมันสิบหิยวใส่เนวันที่สิบหสิหกพอดีจุดถูกขอเหล็กเนี่มันอีวันที่สิบสองแหละทัวลรา ผู้อยู่ขังใต้เป็นหลวงพ่อท่องสาคืออยู่โดดนอกเขียวมากจ่าจ่าเยอะสำหรับแม่ใหญ่บุญศรีถวายตําแหน่งเนื้ท่านพระอาจารย์ไมตรีสุมังคารสําำนักปากเศราอยูุวัดบ้านโน่นม่วงตําบลพายุอําเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดทางด่านขัวเมือของอัตมาโอ้เหลืองอุ้ยปั่นท่องคํา ม, ม่เ่าบุญศรีเป็นเนี่ยเถ้าพ่อยิ่งจานบุญมี สำหรับตำแหนง่งเท่าพ่อใหญ่จานบุญมีอัตตมาหลวงพ่อพระครูสุวรรณธรรมวิบลเจ้าอาวาสวัดบรนโคกชังไฮยตำบล น, น้าว่างอำเภอเมืองจังหวัดนำนา จ, จเริญเหมือนี้รับตำแหน่งแสดงหน้าที่พ่อใหญ่จานบุญมีนาวโรกาสต่อไปนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเทศแหลเสียงอีสาน เรื่องห้อยบัตตู้ตื่นขาดนักปาดลื่นคล้องในลำดับต่อไปขอเชิญดือ้อคุณโยมเจ้ามาฟังเอานีท่านเก่าเล่ากันมาตั้งแต่กีดจนเดืยวนี้คิดชะงนฟังเอานื้อพอโซนแม่โซนฟังเอานื้อแม่โซนบักตู้ตื่นขึ้นไทยปราดหน่อยเรื่มคลองเพราะหินนิ่ไต่ให้ฟังไว้ไวเจ้าหัวลานกาจิตามไปใส่ชุดกระบองเติมค้องเกา่า เบาความเดิมให้โหูแจงแทะมองปองเดท่านเป็นธรรมะพืนบาน้านเบากกันใหม่ให้เห็นจังฟังเบิ่งดูสิคือภัยพวกมูเฮาชาวบ้านเบานานั่นยงยานมันเยิอนขอดำน้นเขาในเรือง บานบอนแดนเขีดแข็งเวียงพบลุงเรื่องซูเมอร์เนี่ยเ ข, ข้ากีเคเรืองราวจานบุญมีคนเป็นกา่าวนนเบานายอยู่เพียงดาวแต่มีเราเป็นคนดีเท่าเมย้ายบุญสีนันหันไปฟังบางดูเท่าจานบุญมีนักบกวชเก่าเล่าจิจ่าปากว่าให้โยมท่านให้รับฟังหลวงโมบงดูพอดจานบุญมีมดน ใจไว้เล็กน้อยเย็นไว้ก่อน้คุณยูขอหลับลองบ่เสีลยลหลถ้าได้ฟังในท่านนี้นัน้นนินท์เดียดัง น, นั้นฉันสันมาเสรอทานนา่ะขอประท่านญาเป่าเกี่ยวฟังตอนต้นสีซ้ัใดดอกเมรุนั้น จะสุวรรณเสียด้ขอมบอกไว้นคณะแสดงน้ำจำเวเดอคุณยูมบอนสาธานดกงน่าว่างนะยูน้างทางยังมีปายขั้นไกลไปบวกเจ้าจะลืมงานนะคุ้มจังหห้ขึ้นตำบลนาวังอำเภอเมืองจังหวัดดำเนาเจริญนะเพือนสำนักของผู้ขากันฟังแล้วให้เชื่อ คนนัง หลอย้อนบ้านตั้งแต่ซอยท่อการทัง้งยืนขั้นไปทางอำเบือเลือ่อกในชื่อจำดอกเขาไว้ยนะลื้นสิไปตั้งกำเมืองงามนานกำนามเพียงนะตามผู้ใดก็ต้องหูบ้านฉันอยู่ติดตนนค้นกานิสัยดีบ่งคุยดอกความหวังนะผู้ฟังเอื้นบ้านในีันมาเขาในเนตานตามท้องเรื่อง phăng từ giang ngạn muôn miền cả nhung trời nè h a n khói p h á n g là n ó n là non ข่อยนั่นได้มีอรก็ซื้อแม่เฒ่าบุญสีจากเราเป็นคนดีหรือว่าเป็นผีบาบัวผาเก็บเสียงไหว้เล่านั้นใส่ใจบ่อเศร้ากันเงินข่อยไปหาม้าใครบักปิกบักแตงบักฟักบั ก, ฟ ก, บกแฟงเมี่ยนไหวจังสี่ล่าก็เอาไปกินไปทานเบื่กัย่างบาขันได้ยินเสียงหยอดโซฟาเสียงคูบาเทศแหล่วอนวอนเหรียญก็ไปในเฮือนเอาขันตักเข่ามาสอดซานแนงเงินค่ำกำแกลวแนื ขอใกะว่าจะไปกินแบท่านหลายเท่าบุญเสียให้เพลินมันเบิดตูวยอเตมือก็ได้ตัวเล่ากะโซเล่ากะเทียงไข่ปะบัได้ดอกเบื่อนึ่มันสิเดตตอวางกันจังน้อยแล้วเดี๋ยวนี่กุกกักตั้งเตตีสองตีสาอันห่วงไข่กะบ่ห่วงได้ไม่ใหญ่บ้านห่วงหินโดยบ้านห่วงหลังห่วงหลวงพอท่องสาจากเป็นห่วงยังกะดอกกะเดียแต่พายุวัดเพล่นมี่กูอุปธรรมคำชูเบิดบ้านเบิดเมือง บัดพัวเจ้าของเราเบาค่อยสนใจสีเอ้ยสีจ้าสีบัดนี้อมื่อเนี่ยเมืยบักฟา จังเวียนฮอนนาสาธุชนทั้งหลายกรามาไม่เหมาต่านเมื่อนี้สันท้าเจ้าคือคนโยมผู้เจ้าพาผู้เปิ็นได้สาบเสืองขั้งเถืองเลี่ยงได้เต็งบุญ ซาลาทูลงไว้เป็นปจัจจเยเพเพเพื่ออุติตในเกปุติมอลานาเมียนในมาโดยส่วนภาลนด้วยสัทธ ติแก่กะขอหวังแพ่ธรรมทานนด้วยสัทธาติแกกาขอหวังแพรธรรมท่านจังได้ไปนิมนตเจ้าวาลานมาแพา่ธรรมเด่นช่วยน่และเจ้าวาลานไม่เตียก็ขอโมทานาม ด้วยในกุศล น, นนทนทรงสมประส่งเธอทานขันใจตั้งแต่ยังเดเทศวารคอยจะาลึกไว้ฐานแง่แผ่นทองคำน้ำไปถึงความสุขอยู่สบายหายหอน จตุพนสาทียนมันยาพันเป็งเป็นอื่นอายุยืนยาวตั้งหอดลอนพุ่นเดือเจ้า เนื้อธรรภาพจะเดันว่าว่าหน้าที่ของยายบุญศรีสืบต่อไปใจความว่าบัดนี้จะกล่าวถึงยายบุญศรีผู้มีใจฝากไฟบุญเพื่อเป็นทุนเมื่อตายไปเมื่อนอกข้าวไว้ตอนเป็นคนจะมาอยากจนยามเป็นผีวันนี้โอกาสดีจะไปร่วมบุญกับเพื่อนบ้านและช่วยงานอยู่ทางวัดจึงได้จัดสิ่งของลงจากบ้าได้เวลาจึงไปหาอาจารย์บุญมีเผยวัจจีออกไปว่าพ่อเท้า เท่าเอ้ยแมนเจ้าจอมหยั่งตั้งแต่เศร้าเสียงโมม่มอยู่ในบอนตึนแต่เดิกลูกแต่เศร้าเมนเสียงว้าดดาผู้ได้อะเท่าจานต้มตะเลงบาตีเท่าบุญสีข่อยบติซื้อจานตงเตงข่อยซื้อจานบุนมีเท่าบุญสีผีบาหลงหดซื้อขวเจ้าขวาง ขั้นว่าแล้วใครว่าเจ้านั่นละบ้าเแ่าห้าบุญมีจันที่ซี่บอกคือเขาอานตังเมืองพุงบานเพิ่นกินท่านเจ้าลดขั้นท่านแตงานก็จะเรียกวัดบ่ไปชินบ่เบ้าป่านว่าเจ้านีนบ่เคยบวกเงี้ยนแท่เอาจันกระเบื้องจันตาแตกจันโตออเดอออเดอรย่าให้ไม่เกิดบ้าขาเมียก่อนกินง่ายเด้อต้องออเดอร์บริวรสอนได้เสามียเตะเจ้าขึ้นฝ้าปีหาหาจังต้อยล่งก็ได้เดิ มีขาแต่เจ้าสมบาว่าอย่างเป็นตัวไข่นุงสิ่ของคาเตชูงคือกันเดอรมนโบก้าตีโบะขอญาติ้าเดียมดอกพอข่เร่ผัวเริ่ดพ่อเงือป่านั่นเออเท้าแม่ยังเรื่องวัดเรื่องว่าข่บวชเป็นพาเป็นเน่นร่วมแล้วสี่สิบพันสาคข่แม่ได้บุญไข่ว่ามันลอยตู่รถไฟเราเป็นอย่างบั้น ไปวัดไปว่าเสียเวลาเวลาหาอยากหากินปวดแข้งปวดขาเสียเงินเสียท่องเสียเข่าเสียกองล่องทงล่งทายังมีเดวาได้เข่าห่างบีกซี่โลดตัดยังได้อยู่ขอเจ้าไปวัดได้อย่างไปวัดก็ได้บุญตัวเนาะแถานี่ซ้งถามแทเป็นตัวจังไดเนี่ยอ้าวเจมันนอตเจ้าตัวใหญ่ซ้าได้เนียามาถามหาตัวบุญเจอได้แถวเอ้ยบุญบ้านได้และเพราะว่าเป็นต้นเป็นตัเดี๋ยวนี้บุญมันเป็นน้ำมาทำตัวแ่า เจ้าเขาเคยจังเคยบวดเคยแห้งอยู่จะบ่หูจักบุญที่ดียนี้แม่คอยหูจักโค้จะว่าคอยบ่ไปเลยนะมันบ่เป็นหูประทับน่ะจะว่า่อยบ่ไปไปใส่เบี้ยนังไดนป่าไปหาเห็นนังไหนเตี้มกาตาบัดไปบัดไปว่ามีแต่เสียลูกเดียวแล้วก็เสียลูกเดียวปวดแข้งปวดกะเศร้าเลยเป็นอย่างไม่ไปจะบ่าไปบ่ก็นี่แหละแถาเอ้ยเจ้าจังบ่าคือบานคือเมืองเพลนเจ้าหูจักบ่จำมันบ่คือบานคือเมืองเพิลน ขือไผขากระบอกขื่อตัวบ้านมุ่นเป็นจานแม่ที่ให้ดีว่าเพิ่นเขาวัดเขาว่างานิยังเพิ่นกับพ่อเป็นหน้าสุคน<อ>ผู้บดดนคือเจ้าผัดสะลื่มว่างปลอยบวชมาตั้งแต่น้อยฝีข้องผ่าโฮมเหลืองเฮ้ยเท่ามาล่งมาสิงเท่าซื่อบือ้อเท่าเสกเร่เท่าจากล่างเท่าหลังห้างเท่าขี่ข้างขาเท่าข้างโคก <c oughs> ข้างโคสี่ขั้นขากางก็ไดผัวนางบุญศรีคืเอเก่าหันล้าออนั่งจ่ายยอดเท่าขีขั้นขากางนีลาท่านชี้แจ้งผบอกง้อปอดมาเด้อผัวบ้นานแย่งไงสายไปแล้วน้องเอ๋ยนั่นว่าสายนะะั่นแะฟ้ากระไดอยู่เด้อาเจ้านั่นคอยบังเงิดได้ก็ <c oughs> สิเป็นท่านี่หาน่ะ สาหัวขาวป่าตัววัดเ่าเขาเราเพาขาดบาดบพใส่ไ่ละหัวภาพเปินปฏิทินคือจองปฏิเอาอยู่บนนีเมีเห็นตากรงบ้านน้องยอดเสิโปลาหัวปุตติเดียวนีิโอ้ยปานนั่นแล้วถามเมืองเราบอกเพิ่นเป็นบาหรือเพิ่นสดวนหรือเพิ่นนี่เ่เป็นบบาวบาก็เป็นน่อยเพิ่นกระเด้นตวมสิหนักอยู่บ่ตาทตากองสิดีเมียหน่อยปะเ่ามันใจก็ชิีวาวดีฟังพี่สีวาให้ฟังโอยเาว่าพี่เอทอ พี่ตัวเป็นผัวเธอผ้ามียิ่งแถาฉันนั่เบาข้าววะนี่เมียศว่าหยังสันพ่อเขาได้ดอกโอเดี๋ยวพ่อจะพูดให้ฟังอสีว่าหยังกะว่าต่อจานห้างเอาเอากะว่าทำไมเอากะลังสิีว่ายู่ยาสิคุ้มถกปอบดําน้ารับจ้างดอกน้อคุ้มตเนะบ็ดเน่ นี่ข้างนะดที่มารอฟังเจออีกข้างพนะ่ อ, ก, อ ก, กันไหมนะคูงบอกปออล่อยเลืมอมไหลพวกลูกหลานผู้เขาใครมาเวาอยู่ประจันมีแม่นเอืย่นาง เมือนนีได้บ้านลำน้ำก น, น้าบ้านเสนอในมาเจอคุณยุ่มไหลยลดซึ้นใจมาโนเปื่ยนะคืนจังฟื่มเศร้าหาบลืมลาสินนไม่มีมนะ คนขอคุณนดองเบลุงแลต่าญาอมขอยอย่หงไ้วังใจเมรุนางเตือนว่าบุญนั้นก็ได้เลยว่าโชคของฉันลหลได้มาเจอคุณยุ่มย้อยลดซส้นใจดูลหลวนนางนําันนาในท่านเยี่ยมเตือนสติให้ดองเบลุ้งพูน ดีก็ให้เดียนผู้ที่ดีก็ให้รวนคงก็รดนราทั้งนะเมือ น, นี่เทียนตอกยาำผู้ตกต่ำจนลืมหลงผู้บ่ตุงว่อคนกันเน่าเหมียนในคนวัวนะหันก็มาในเรื่องนี้่านดำซ้ำสากดนัง น้อินตนีจันบุญเมียมาโนสันสังเมียตนปางบ่อขอมนะทนปีปอมเ่าปากกาเต่าีบ้าหาบ่เกียนนะบุญเสียอินเต่าปากุดเต่าปากกินเต่าปักเล่าตปางเมนปากบ่เปนเกินคน้าบ่ลุกโดมันแดงน่ะเต่าปากเปหาเรื่องเตียงแต่ผัวหาเตงเเจ้าป่นเมียบ่อเมนเมนเต่บ่อ พวกเจ้าให้เสาเเ้าย่าสินจานนงจานต้องเตี้ยจันกระเบื้องจานข่าวใบเสาตีจันขี้เสียให้เสาสายยาสีจ่าให้เสาไวแอมนะจานสดใสคือโตคอยจานเพี้ยนพอยจนคนแซมนะจันยาคู่ยาสานไปกระโยกโยงเสียงดังกรองดอกท้วมือนาง เสือนไข่ดังยบเปรียงเบียงปากปากระเดื่องลุ่มบนคนนนมณฑ์บ่อเซ้าปังเตียนกะดีโดเกินบ้านน่ะเตีนหันที่สู่กันดูดันจนคนสารบุญเสิอยี่คันเบนหาปูมากินไก่หน่อยปอนนั่นที่ไ้นแ่งเมืองน่ะ การมันเจ้าบอสางเรื่องให้ปันปวนในคงสูงปันในคงสีสูงดีท่อแม่บุญสีเอ็นนะจำได้ไหมบุญสีจำนงจำได้บอจำยังเดี๋ยวนี้สมัยเจ้าเป็นสาวซำหน่อยเล่นขอไปในวัดมือละเก่าสิบเก่าเถื่อนนะ เจ้าไปเพื่ออ้อยบองให้เสียเลื่อมปากน้าเอ้ะสือกวางมาอยู่น้ากาวน้ำเต่าแก่รถเปรพวนเต่าบควนโบงามปากเบเิ็นสังหาวนัง น่าว่าดนจนไข่อยเท่าเน่าว่าดนจนว่าหัวลานเครื่องบุญเสื่อยไข่อยถึงทำกอนพวกเจ้าอย่ามาเบ้าวทอเรื่องบุญนะไข่อยหูมดตลอดสิ้นคำว่าบาปหรือบุญไปสิไปก็ไปเลยอย่าสิมาหาเกินเสื่อซาเดช่ชนได้ไปสิไปก็ไปโลวนนะอย่าสิมาว่าว่อยเป็นหัวลานดอกเรื่องเราคุณนะจานบุญมีขอบอกย้ำให้ทำรัวทำไป นะยาให้บุนสี่สิทาไปบ่าเลยดกเชิญได้เอนะเตือนมาปัดใจนั้นของไปมันไขบกเจี่ยวนะเงินบาหนึ่งสเงเดียวไขวสิบ่ให้จนสีบ่งวนั่งท่านมังมีนันละนลนะต้องยาก เลยย่เมยใหญ่ไปหาเอาบุญเด้อจะเลืมเอาบุญมาฝากพ่อในเด้อใช่ไหมเจ้าว่าวคักว่าแน่นอเท่ามามหาเอาตัวบุญให้ก็ว่ามัจิตคือกบคือเขียดด้วยตัวบุญแกสร้างว่าสร้างลาเทแต่ขวิดเจ็บพักใสก็ักบัวไปเต่อมใส่บุญเด้อบัวจนจิตเ่าตายขาเดงยังบอสท่านหูจักตัวบุญอยู่ใช่ไหมเจ้ามปาคมหลงเธอนเจ้าน่อนี่ลตัวบุญนางเธอเลืออยู่นี่ เน้นี่แหละโตบุญนางจะว่าโตบุญถอโตบาปล้วนี่บาปจังใดบุญมีนี่อาบุญมีเออบุญมีอยู่แต่ไม่มีบุญบุญหัวเธอเป็นอยังได้บุญมีเป็นหัวมันบมเมนบุญดอกมันกลับเป็นเว่ยเข่อนลยมาได้เจ้าเป็นหัวอันนั้นไงดีแล้วเบ็ดนี้ เสี้ยหัวอกาตผัปแานเต่าเาวจีจังแม่นทั้งเตบุญมีจันขีสียาคู่น้อยพ่ออยากปล่อยให้ฮาลู่มนะ ลาเท่าบนมีบ้านป้าสรงเท่าแห่งโกงพ่อคำเท่าห้าตำบุงไตสร้างเฝ้าไปบ่เป็นเรื่มาลาเจ้าเฝ้าเครื่องหัวใจคอยเนวบ่จิงเฝ้าห้าไตเกิดเทน้อยสนว่าวไน่บ่เคยไปวัดตำคำหาเฝ้าเรื่องบ่จิงลาเมื่อเจ้านั้นลาวิ่งเข้ามาพูดอยู่ในฮื่น เจ้านั่นเวียนมาเวียดอยู่บ่อเสาปัดจาบ้านละละเทาบุมีเทาหัาลานสมแต่ว่าเป็นจานบาดน้ําเอื่นบ่อสมซื้อบานความเบาว่าดซาลือโยกเจ้าความนักตีเบืองมาพลื้อืองได้โยกโยนมาโอ้ยบ่เบืงโตกระดอบพอสมส่น เต่าจานบวดมาเน้นเสาพลามาสาตองยังบวตันใดยินบว้ยืนพุสธากเอบได้โอ้ยเป็นไดบได้กับสายซ่องซ้ำกันทลาสมว่าวจะสมะอาผู้เสื่อมหส่วนเฮียวย่อยเฮียงก็ได้ซ้ากัน เออบาทพูดไปว่าเกินบาลแล้วแนวสัดานของพคนส่วนโบเอามาเป็นผัวคันค่อยหูตังเต็กี่เป็นหูขี้ก็ะโบเห็นเห็นอย่างก่อนี่ัมอยู่ในบาทซื้อได้นีเห็นเบิดแล้วเห็นอย่างเห็นให้เห็นหน้าเห็นหัวเห็นสวนเห็นพี่เห็นน่องเห็นเถ่าเห็นแกเห็นเบิด เออล่ายงามทำบุญกาสิปาดธนาเวียนล่ะเห็นห้อยย่างสิไก่นี้เต้าบุญมีจังกต่เตินจังเป็นเตินเจ้าบ้านจังเป็นข้าวหวานละเกินกังหันคู่ือเพิ่มว่าปาดแล้วกคงหัต้องไปเที่ยพอปัดปิีงนั่นเตินแม่โอ้น่ะ แถวตื่นบ่วงดวงตื่นไฟนั่นซ้มจออันขอควายบอกแกนโคกขาดในสีไร่างไปคนทางควายไปใส่ใส่ไป็ขัวงัววังแอแ๊ปสุ้มขามกิงโลนนั่นคนเข้าสู่เต็มเืองอ่ะอัลงัวควายเข้าบ่อเดียงมีคนเครืองเข้ามาเตนเวไปใส่มาใส่นางหลดจนเดินโอด นี่จะเป่นเจ้าโน้สมมูเข่าแข็งพ่อขาเพื่อควายน้ำเจ้าเห็นบ่อต่างเรื่องขอป่อเรื่องเอาเน้่ยวข้ามหัวขาเจ้าพงื้ำนะและเจ้าไป่นคนดอกมากยองบ่อเลี้ยมต้นดอกขอนี้นะ ล่าเน้อตัวเห็นเพี้ยนนู้นบวชทองเดียนดอกเพี้ยนตังเอบ่าไฟวชตังบากมองดูนาจานบวชผ้าษาเจ้าเป็นบาเกินมูตูมาส้นคนลือนบานสี่ันคำขึ้นใจเกียร์นไว้บางเลเปนบเลี้ยงเพือย้อนสอนเธอปาด่าลืมข้องวัดสีแมนจานบวมีเนืมือบ น้อเกินแบนทำงานอย่างทำเป็นโมพร้อมกับทังหลวงปู่ปู้เพิ่มโยคะ่าะว่างเดี๋ยวพาสางชาวบ้านวน ลามีแต่เจ้านั่นลาบ้างเอดตังมูเพื่อเหลือหลายสร้างบ่อไตไปเต้นผู้เพื่นดีแธอโน่โจ้าเฝ้าไปหลายยันใครนาทั้งสงสารทำแหงซื่อบากระบาดเลือเกินบวดมาดนแต่โป้ห่วยเปลืองเข้าผู้เพื่อนท้นึ่มและเฝ้าไปหลายยันบาต้องบอกคำเดาดอกคว้าตัวละเบื่สงสารกะจําเป็นเพราะว่าเห็นคือเม้อม โซซาโนคอยหยุดไวลาค้าในกลางบ่อสวงนะเป่ากาค้นบาปป้วนทอเปลือกมีขค้ขังโยมอ้ยพ่ออยากพอยให้หาลงแล้วลาดำสาธา สนความแขนเท่าบุมีเล่านานาเรื่องชัว่าข่อยไปอ้อยเว้าม่าไว้เฮ็ดผัวพานาบ่หม่าเจมันข่อยเจ๊วกก็บใจกันยังมามันบ่เมนข่อยเบาบ้นกับเมนคว่ำข่อยเจ้าเป็นเมียข่อยเป็นผัวแอเมนบ่สิกมาโลดสิงมาโลดหลวงพี่สิกมาโลดกับเจ้าตัเป็นผัวข้าเจ้าบ่เน่าข่อยเสีป้นนี่ข่อยได้เป็นเจ้าคณะตำบลนี่เดือดตัวาจะเป็นบ้านจ่เป็นเจ้าคณะตำบลขวกสว่างเพราะยังย้อนเจ้าละไมเน่าข่อยเสี ว่าคอยไปรอดเจ้าซื้อเฮ้ยกันไปวัดไปว่ากับไปลองสาราพขั้นเกี่ยวเห่าตัวเกี่ยวแน่วเลยเจ่าคอยไปลองสาราพั้นเกี่ยวคอยไปลองตอนใดจำว่าได้บ่อภิษฎจำได้จักปีดีดักมากพอแหีงแล้วว่าเนี่ยเ้ยกาเว่วนเอากาบว่วนเป็เจียวยันจักรอดเจ้าสื้อเขากระล่องแต่พ่อข่อยคนตัวเป็ดเจียวยันคำว่าบอดเจ้าเจ้าชื่อได้บ่เขากาบว่วนจิไปชื่อได้บ่เจ้าชื่อได้บ่ขนาะได้ข่อยจำบ่ลืม ก้อนนี่แหละเฮ้ยหนัขคอยซีคอยบักเสน้นหนแขง็งใบข่าวเบิบ้งข่าได้ชื่อได้นะนะกะเอ็นกาบววนกาเอ็นกาบววนตาอุ่นส่วนเทนอดลุงพี่อีกจักปีจังสีซื้อโอ้ยขอไปรักว่าป่า น, นั้นอยูบอ่บ่อเท่า เว้ยผ่าซ่งข้าข่อยเฮียกับย่อนก้อนกาว่าว่นนี่สันตัวนไอ้เจ้านี่ยลราไปย่างไห้ข่อยเสือกอดใจจำได้เสือกใจมันชื่อได้จำได้คากอยจะเว้าหันเส้าขึ้นกับเสบ้าเตีเขาต้อโกเจ้าของแต่เพิ่งพ่อซ้ําเจ้าบ่เท่าเอ้ยขั้นข่อยบ่เห็นแก่พ่อแก่แม่ข่ดบัดกังเจ้าเขาบ่เห็นขาอ่อนอีนี่ใครเล้วกันเราข่อยีบอกให้เห็นก่อยพ่อแก่แม่ เอ้ยมันหันตายน้าเตียบ่อต่อบคามขอเดียวนี่ลาจะมาเล่าไรเถาะจะเว้าก็ดอนซ่อนดอกพอซ้เจ้าน่ะนะเออต้นสาดซื้อดอกเขเลอเอาหันอ่ะเออบามากกับาโรดไว้ผู้ใดอย่างนนั่ดอกมิโตข่อยกับเจ้าสองก้นตะนาลากบามากดอกคือนั่งซื้อๆตัวเดียวกันนละตัวเดียวกันยืมบ่เาตัดโซู้ลเจ้าสิไปบ้านไปว่านน้ำฝอยบ่นี่เถาเอา เกี okay um à, ่ยวไปง้อมากกับ uh พ่เลื่อมตัวเดียวนิอ้าวขอพ่เลื่มแล้วเนาะขอได้กระตาต้องตอต้องต่อยเจียวไปวัดนี่เจส้วนจไปวัดน้ำใสเด้อนีมือดีวันพระหจับบ่อันบุหงสูงเจียวไปยังอ้าวบอกหงก็บอกทั่วขอกระสิไปวัดแล้วเนาะเาไปยังขอเด็ไปยูวัดดิฮะเจียวไปยังขอยุงเฮือนอ้าวไปตะไบลงพอตัวไลงพอนั่นผู้อื่นมันเอาไปเจ้าพต้องเอาไปดรอกเพิ่อื่นเขาเจเจียวไปเราเจ้าเอาเจวโอ้ยเท่าอันนี้ อคยไปคยมาคยไปวัดไปว่าไปกินไปท่านอยู่ตลอดปตสมัครัดมาขวัง่อยแต่เท่าโอ้ยแม่นเจ้าบอกไปเบิ้บ้านเบิเมืองเขาขอไปอยู่เนี่ยเจ้าไปคอยสบอกเอายังไงตำเจ้ายอดพักกระทิญสมยอดย่ามือเศร้าย่ามือเพีนพักกระโดนน้ำสมยอดมือไม่กับพักบุงมือไม่กับพักเกษตรแต่ขากระมาเถ่าเออบ่อยากดอกคนรยเค็ตไปกินไปท่านนํำเจ้า่ท่าตายผูลัาเชงไะเนจะบอกนะ มาวังสัตวเอาก่วาตอนนั้ไปกินไปท่านก่อนเนวดีๆปาห น, นีดไปใน็ตเถาเอ้ยนอเห็ดตาวาเทศบุญกะิปลาเห็ดได้เห็ดเต่ามันบ่เมนเด้เเ่าเจ้าห่วงผ้าก็ห่วงผัวบัวเดวเอากล่าเมีนมันกับห่วงตังห่วงอันนั้นกวัดว่าเนาะมันจิบบ่ได้ขาดบดา่อได้ข่กหู้ยู่ให้ข่กินก้อนกัสิบาบยูบ่บเดียวนิกล่วกับมิ่งมิ่อมีตีบก็บหากินได้ยู่ตัวผาพื้นหากินเ่ราเป็นเด้ เต่ันบาต้กบแต่เหี้ยดิินเขายั่งคุณโยมมันสมนอยู่บ่จัดซ่างว่าเพ็มบนบอื้อผู้เอาไป่อยกันยังบ้าอยู่นเด็แม่ยหยบอกน้องหินเขาไปโย่บ้านเอขาไปโย่อันนั้นกวนของเพลนเพล่นไปกินไปท่านกับห้องเขาเพลินอันนี้มันหอเขาคอยห่อไว้วนตัวยังมีชีวิตนานเฮ็ดดีไว้วนตัวบ้ตายไปแล้วว่าด็ไปขอเพลินขินหุะคว่เน่เป็นอย่างขึ้นว่าสิเดเกิดอยู่บ่อเอาเกิดเพะเกิดกระเฮ็ดไว้เป็นอย่างเนาะคอยคือเเห็นซุ่มตายไปกันเมาเกิดเจ้าเถื่อ กิคเคยเห็นอยู่บอกใกันลยเ่ยเพลินางสัน่นกทิศนั่มเพลินตัวเนาะหลวงพ่อทองสาว่าแม่เจ้าหนหัวป่วยหลวงพ่อทองสาตัวใดตัวจังไรไม่ออกบนสีเอ้ยอเจ้าอยากล่ำอยากด้วยให้ข้องหวานมาบาดด้ดูเด้เจนอยเพา<อ>ยาราะว่าอยากลาบเทาเจ้านอยเพราะว่าอยากก่อยกป้อมเจัน้อยว่าอยากไครมืเดงมิแตเนหางยากกันเพื่อนยากโอยวาประจวบว่าบ่ค่อยแต่งกินและสะเทาบาบวชนอยากนั่นอยากนี่ ก็มายามปีไม้กับบุญกุ้มเขาเด้อบุญกุ้มเขาเด้อพุดแล้วสามสอบสี่สอบจักเพิ่นมาสือปุ๋ยซอยห่าแต่ย่างใดเอาเถ้าอันนี้ไปกัดสิไปช่างรัดช่างร่าห้องพื้นเก่าหันลาเพิ่นก็บรเดาเขาโพกเขาห่อพิ่นตัว ให่สิหูจักข้าตรมาการเครื่องหนึ่งพ้าเครื่องหนึ่งอ่ะเจ้าก็จะเจ้าไปนั่นไม่เ่าอันนี้เมียคอยเคยเฮ็ดนี่เราคอยเป็นผ้าบวชมาสีสีตัวนั่นมันเจ้าอันนี้มันหลวงพ่อตั้งสามคนละยางคนละองค์เอาไปบุญมู่พันไปเบ้หล่ะสิมสัวก็ข่อยว่าได้บุญน้ำเขาไปบ่อเทาบ่นีโอ้ยบ่บ่บขันข่อยมากบัดมากว่าข่อยโบีกมากทบ่ไปค่บ่ไปบ่ไปกานั่งใต้อยู่นี่แหละผู้สี่ไปเองสั้างเลย ไม่ไงเออไอ่บาไปหลายแหงเสียแตมเนี่คนเกีเอบวกองเนี่ยจะห้องปวดหูวคล้ยบวตูวมันหมากซนว่าแกไม่ทั้งไปว่าอยากสนใจมากันยั่งไผ่ดอกไม่ไงเอออ้อะนี้แกแถาจานบุญมีอยากให้ไปสั่งความดีเฮ็ดบุญน้ำบาดาเนื้เบืองบนกระบออยากไปไม่ไงอ้างว่าจะเจ้าของเคยบวชเคยเฮียนเค้นอ่านว่าเจ้าของหล่ําเจ้าของรุ้ยเราเป็นคนถือยศถือโตัวจ้าวสิทธิ์จังไนดอกไม่ไงกุมอกกุมใจเอาละมันนี่เป็นวันธรรม คืนบอออกซอกบอเข่ากจิไปปลื้มสาหัลเอร์ก็ล่องพออยูุวัดเพลลาบรรดาเพลนมีวิธีการแก้ไขซอยในเงินหามือหนําเมงไงผัวข่อยแล้วไปตัดมาอยู่ก็กลายมาว่าเหนือเงิ่อนหามบอกินบอท่านเดี๋ยวเมงไงจะไปฝากกจิตไปรักเอาเงินผัวข่อยก่อนกจิตเม้นปัดตังหามือหนีล่ะอุ้ยเอาไปสั่งซาลาศร้องพอท่องสายเมงไงเอาบอฮวงบอทัวไปนํามือนีไปกินไปท่าน หลังที่หลังห ล, ล, ลังจากที่ยายบุญศีได้บ่นลำพึงลำพันกับตัวเองแล้วล<ะ>ก็มุ่งหน้าไปสู่<ะ>สวัด<ะ>พร้อมด้วยเงินห้า0มืนบาทเพื่อที่จะไปปรึกษากับหลวงพอ่อเมื่อไ ป, ไปถึงแล้วก็ได้นั่งหน้าที่ท<ะ>ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนาการละครั้ง น, นั้นเบิดเน สีวางทางไข่ปวงละฟ้าเบิกเมฆเป็นเสีท้องอ่างกะทิกะจังแจงละนั่นเป็นเมือนดอกเม็นยาม ใจเห็นยุบตุ้ตุ้มทานพรมมานั่งการเป็นทันฉันทีใจเทียนเห็นยุบมมาดังฟังการเสรื่อหางลางฟังเตีนเสียงประทัง แลเปตามโคงบนอกเรื่องถึงเสียเป็นเทนเสียงกะเลี้ยงตามบอนเคราประธรรมเจ้านอปุ่นตุงนัอนเอาบ่ม็นแลโกงโกรำโอเป้าโอเป้าไงเสียงส่วนมีทางทำมีทั้ง บุญค bon th bon so an bon ันบอนคุณนในตอนท้ายหลังเฝ้าบรยายนจนเหมือนคอนีทางทำบอนเอื้อนอาลับซอยวิจารณ์อันอ่างทางนาบ่อนนิทานลาบ áo giang quăng lại t ặ n g tem ba l à n làn l ộ c ngày sau bàn chúng là, làm. Này, ta làm bê lơ tiếng m u ồ n này nồn khăm l ạ c mà p h á trăm nhăm trăm đêm h ồ t t à x â y k h â n t r m c h ư วังกัง g ังกันซื่ n ซื่อหัวโบใส่ใจโบแจงความจำนานกับ m i อี เอละองกัดทีในมื่อนีิยมท่านที่มาฟังนามนิ่ันดังตามยุคพวนที่ฟังเสียงแจ้งลำบุตรแสดงในตอนนี้ฟังว่าเจีสิได้ว่าไวบากตัมันเตือนนางอันบานมาปราบบ่ององเสียงเงินมองละ ปอนประทัมนั่นลาดนางนำนลลัญยูโอ๋โอ u โอ๋โอโอโอโอโอโอโออโอโอโอโอ บดี้อาตมาภาพได้รับแล้วถึงอยากรรมำคำสมมติจำัญญาฉันทานมัติ क म क म จ่าผู้บุญเจ้าธรรมารน้นให้ว่าตําแหน่งแห่ยงนาทีของหลวงพ่อทองสาบันนี้ตําแหน่งเหียงน้าที่ของหลวงพ่อทองส า, ง า, งงอองสาได้มาตรอกถึงอรรมารโดยตรงแลว้วจะจับเอาสมโนเข้าสังบอลบัวตัพโยของตนสืกต่อไปดังมีแจกความว่าบันนี้จะกล่าวถึงหลวงพ่อทองสาผู้เป็นสมผ่านวัดผู้เข่งครัชในทางธรรมดำํำนาที่เจ้าอาวาสโดยไม่ขาจิตเจ้าวัดทำเข่งครัชตลอดมาเทศนาโปรดญาติโยมสมกับโยมกับไหว้บันนี้ใจเย ใหยยญ่บนสีมาแต่เช้าจึงได้มาปรึกษาเห็นหน้าตาไม่สดใสเป็นอะไรแล้วละ่ะโยมโอ้ยเมื่อนี้ถ้าเป็นจังใดดอกยีเมฆจับหอนหอนเนาวหนาวเมื่อนี้บ้านกระเอกใหญ่ตำบลโคกสาว่างอำเภอสำโรคจังหวัดอุบลราชธ า, านีบบมันฝนสิตกสบลยเมย์ยมันเห็นมาขึ้นตังกาต่างหลังเทิ ตั้งแต่เฝนมอบตาตั้งเจ้าเข้าอุปัชาเจ้าอาวาสเขาก็เป็นจังสี่บู๋ฝนกรมางไฟฟ้ากรสดับเมื่อตัมิเดเปเนอมาเนาดีจากอย่างโอ้ยู่เขอยู่ผู้เดียวเขามีหมูมีผวกผู้สีบวชกับเมื่ออื่นจากเสี่มาบวชนั่มเื่อหนี้จากเป็นจังใดดองอ้าวเมียนเพเนออย่างมุมใหม่เมื่อจังขันเมือส่งบัคเก่าก็อย่างนั้อ้าว ว่าจังไดโนไม่ออกบุญสีเจริญพจนไม่ออกบุญสีเอ้ยเป็นจังไดโนเมื่อนี่คือได้มาเจ้ากอนโมกู้เมือคือจังมาพร้อมเพลินบ้านเมื่อนี่คือจังมาปากแทไม่บุญสีอจะมาจังไดไม่ยังนราไม่ออกบุญสีคือหิวพารุ่งพาลั่งมาแทกาบธรรมัาสการลงพอขึ้นกามาตแต่เจ้าอยู่ผู้ขาแน่วอยู่น่วกินก็ได้มาอยู่แนือยู่ดอกได้บักฮุงกับบักกอนี่แหะผู้ขาอยังกอด แม่นยังก่บงบอบังหันบ่อโบฟังบ่อบคักไม่บักงงาบ้าบักงงก็บักก่ออ้าบากักงงก็บักก่อบุญบุญอันเดียวกันจะบ่ไม่อก อ, อบกบุญสิโอะขอโทษด้วยหลงวงพ่อ ขอโทษผู้ขาเป็นยังเมื่อกี้บอไปพิษเถือเนาะผู้ผู้ขาดีว่าบักบักบักฮุงก็บักทวสนดอกศูน์หลก็เลยเบ้าพิดเบ้าถื่อสนดอกหลวงพอเป็นยังคือูนเนะคือถามน่อยน่อยเบื่อถามหลจะงนถามสันียกระสีเครียดสมบ่มีออกบุญศีราว่าผู้ขาศูนผู้ข้าก็บืดอูนในหลวงพ่อดอกศูนในผู้ใดผู้ขาศูนในทอจันบุญมีจันกระเบือหัวหลานโปอยเฮือมถนดอกหลวงอยยาสีวะหัวลลานบมันหลานมันมีลายหลานมันเครื่องย มองไม่ออกบุญชีเอ้ยล้านกระลนตังมองบบล de ันโบบโอโบบหัวล้านบได้บไม่ออกบุญสีอะหลวงพ่อขอโทษที่ผู้ขาว่าล้านผู้ข่าวขบดไม้ถึงล้านอยู่นะมนี่ดออขยัาถืยำดูมันล้านหลายล้านมันถือหลายคนได้ผู้อยู่กลางก็ถือตัวละีผู้ขาข้าเริ่มเบิ่งตละข้ตะกุมหน้าแวเรื่มเบิ่งว่าทั้งนี้กระันมาอวกับปทัดบิดลาอยิ้มไม่ไงขาดมัเจริญล้านอีกบ่นี้เนาะ อ๋อหลวงพ่อเป็นอย่างน้อเป็นบุญปุชีเดือดขนมีผู้เดียวเท่านั้นล่ะเด้อเออเป็นนักโมนี่ดอกาบอเป็นอย่างแล้วมีเรื่องมีเล่าจนไดจังสูนแห้งเธอรลองเบาให้อัตมาฟังมังกรดูเมออกบุนสีแต่คือจังสีดต่หลวงพ่อผู้ขาเตรียมตัวมาตะไก่ตั้งใจมาตะบานก็ตั้งจิตตั้งใจวาสีมะเบาสูหลวงพ่อฟั่งสิมาพฤษสาลือครับหลวงพ่อเนร่าจากเป็นอย่างกะโบโหดเดียวนี้เท่าบนมีอยู่บ้านอยู่เป็นนันนับมือแปร เ่าเรื่องวัดเรื่องว่าเล่าหลดศูนย์ปวดห้เพราะปั่นเจ้าเข่าสู้ชิงได้ลงพอเดี๋ยวนี้มันสิเป็นปนันอยู่บ่อเลาสีเป็นจังสันอยู่บ่อคือบทเรียนเขียนอ่านอยู่นอนล่าภาษเป็นบ้าเป็นบ่อปนันเลือบ่ได้ดำเข่าดำหน้าฝนฝนมันแลรงแข็งมันตกบ่คือยืนไปทั่วถือบทจานบุญมีใช่ล้จานบุญจันบังขันไปน้ากันแล้วบอก หลวงพ่อว่าจังได้โยบว่าจังไดแนไม่อย่างในรองเบาซูหมดเบิงกรฟังแลงละเอียดเบิงกระเ้าราเน่นเสียหายเรืองวัดว่าว่าเอาซ้ำสละบภูเขาแล้วก็เสียวปนันอยบเบ้กระปานนั่นแ่ะวนอกเบืนอูเขาผูเขาห้าเรืองครับความใส่ได้หลวงพ่อโอ้ที่เป็นหายเป็นขาดปนันบ่นอเป็นหายตมือเศร้าก็คือกัน ผู้ข่าววาเเทาไปวาดมนีวันศีลประกชิภาไปวาดวัตวาวัดเท่านั้นล่ะวัตวาหอดพาเท่านั้นหละแเงี้น่ะเกิทั้งป่าป่านว่าม้าหัาเครื่องบินฝนหลวงผอบูมามาจีเปเฮาสูงเฮาเดาเฮาเครื่องบินเอาแล้วเป็นค้นทางไงมาดไงไอดังบอดดออนซ่อนไผแล้ว่าราหางลามีลาลำละาุ้ยข้อมืูเนี่ยโอ้ยบ่มีไผ่ทอราดอกลาว่า บวชจนจิตตายคาบเถลเลืองดังโบหจักคุามยูโบจักบุญจักบาปจักดีจักสัวจ้าผู้ขาเศจจะได้ลงพอบุญได้ออกบุญสหาเรื่องเสียแล้วเตือนเสือบ่อน้อว่าบ้านผู้ขาห้าเดิมเดี๋ยวงพอคุ้มแล้วคุ้มไตก็เปากันยูวื้นวืนยูผู้ขาว่าอเรื่องอย่างว่าเพื่นผัวผู้ขานี่ยแล้ว มันพนบานเตยบันปะติวบันน้องเงินหอยพ่นว่าพ่นผัวผู้ขานั้นดังขึ้นอย่างนี่ตัวฟากท่ากับพ่นว่าวนี่บอกพ่นว้าวพ่นว่าโบคำโบลันพ่นว่าไหนไม่บอกบุญสีลนายพ่นว่าจะได้ผู้ขานพ่นว่าติดแหงหันจานแหงหายเนียหน่อยสาบก็เบือเพามันเถืกอผัวเจ้าโอ้ยลงพอผัวคนดีขมี้ลายยูดอกผู้ขานั้นแล้วปุถิงซื้อดอกผู้ขาน่าหันหลังพอ อ่านดังโยหันโยลงผู้พอสิเบาหายฟังเบิ่งเป็นจังไดมั่นกะไขเบาสู้ผู้ข่าวฟังในหลวงพอบิดนรเลนงล่าโยวงผัวฟังฟังให ฟังให้แนี่ยจำเป็นพันอันมาฟังนี่ทันเดละเม็ดมันก็ยันเกี่ยวเสียอย่างเดียวมีแต่งโอลาโซทั้งเสียงเกี่ยงเมีนเรียบบ่มีปีบ่มีพินละใส่แต่เสียงโอ้ยต้อยหลายน้อยกับบ่ หลปองการบีง๋งปุพเได้แต่งแต้มเนี่ยทานไม่ใครปรานตัวละโลกวามจิงสังโรใจเมื่อได้ฟังความเว้าหลับจันบุญมีเป็นคนเท่าในผาเลื่องมาครึ่งเนืองละเครึ่งอายุเกะเท่าแต่เราข้าดอกวันวัาง เอลบวชเป็นนิ้ขคงเป็นผางการส้างอันนินงจอยหัยซึกสัางอันรู้ไปในรู้ตลอดการลังรู้ไปหมดดวงุกดานบวชเป็นพระได้หัวนสงรงนะงทรงเจียววนนำจันอ่าอันครองบิในแจงละงสันดง ทำปวดเจ้าบ้านขุโจ์ขานนกเทศใหญ่บ้วนแต่น้อยจนหัวใส่อายุแล้วจงกินคนจึงลางผาดอกเปนืน เลาเสึ่งหอกมาลองบ้องเฟื่อนเฝ้าคว่ำเกาไงคนเห็นนะลงลายเส้นน้าจานปัวเตี้ยคนคือยองละกาจงห่วงเอาสิไปกบทาลายกันกองเกาเนิ้วกองกินเพิ่นบ้องเบาอับเดวกองเกาเพิ่นบ่จ้องพุงพวงบ่อนำดื่ง เพียงสิ้นเอินกรรบ่เงือบบเงือต้นกาเดินตามทำจังเมีนนำกองจันเปยุยบ่สมโยงทำบ่สมกล้องิสียนจังตั้งเคยเดินบาทรงย่างคืนเสวาจันจานทจันเตือนวันบังควงพระเจ้าบ่เคยเดอกโนบหาทำจันซุม นี่เปนวาจันบางบางนา เป็นจันเตือนขันครมส่รงจานบนมีที่จันจาบ่เมีนจันสุมเจ้าหลังจานจังเนงก็บเมนจันเขียนเรล่ายาเมาเม้าบ่งองอ์วดจันตางสวดปูโลกโลบจานกุ้ยโมงวันเจ้าขวัส่วนจันเบจันน่วงบ่ลงวาดวาดจาจานเสือกสร้างให้เห็นควงกันหินตน ดอกคุณขาลำยังเป็ี่นมาหวังเจ้ายาเป็ี่ยนเศ้าคงลื่อมกวามยาเป็นจานจองหวงเดืองบุตาตาเมสวรบันว่าเจ้าให้นาถือ ยาสาคือในเรื่องนี้จานบุญมีเป็นบาปวงลังโยมบุญสี่งุ้ยยาเป็นห่วงกันโยมจานเป็นจังจลทำหลวงตาเท่าสีคอยจารังกรรมเป็นสางดบ้านบอกบาสั่งแห่มางาเดินโยมเดื้อสี่เพื่อสางวังคุ้งการก็สารหลังนี้ลทำ เมือเงินมีประทุมความในเวลากันทุมเนืองละบอกอิลิบอกให้ได้ยิอย่าลืมเดิมละอแมเมียนอู วงวงวงวงวงดักเนื้อเมอออกบุญสีเอ้ยขันไปนี่ขันยมเจ้าไอ้คอยบ้าคอยจ่าเดื่องมีคนสิ้สีเอ้ยมาคอยปากคอยบากพ้นบาพ้นเท่านั้นพ้นทีพ้อายขันทีพังหายใจยงหายซอบักตุ่มตัวเมอออกบุญสี ไปแน่คอยบอกคอยจ้าจะจะไปหายไปดาแล้วเดินมีบอกบุญศีด้วยละย้ายบุญสีเริ่มถอยกดีเกิดความหลวงพ่ขอขอขอบคุณ ผู้เพิ่งแจ้งแสดงขอดอกบาน อ, อิบอิบนหลวงพ่อเอ๋ยผู้เป็นได้ละเปีนนดอกจากมืดมาเสียงและตื่นมาแปงหุ่นทางบัสิเที่ยวไปน่ะ น่ากับเป็นเกีียงทาจนละเพียงเกีียงมิลินเทลปดดีวังสินกินของเกาแล้วก็ตางมาคานทุนนาดอกบุนไปท่านวินความคายนาท่านวินคาานวามคายตายแล้วเกิดมีผล น, นี้จากจนได้มา้วยบอลเพิ่งเพียงดอกเมื่อนานี่จากมม่วงหวนโคงหนีจากดวงพงเือ นี้จากบ้านละละจากเพ้นมาทำเพียนบนเตียงมาแพงสางบนสะบันนะ นี่จากเวิมน้ำจานลับบอลปนฟันดอกผ้าอูปุกจะลับจับเอาอกนอโนผารามน้ำอ่างนี่จากตั้งตีมนเือเส้าเป็นเสือตีลงป้าถ้าลงพอท่องสามีแนวใดสี่ซอยแก่กูนัาขารอกผู้น่ะจานบรมี้เล่าซ้ำกบผีบาตา ม, มลลัวมืดบอเห็นหนละเลาเป็นหลวง บ่ฟังไปจังบวชเนี้นบ่เป็นเก่าท่านว่าข่าวล้วว่าเล่เอาแค่กันเลาบ่ถูกผูกบ่เคยมัดบอ่แก่ี่ยนติดแน่นดอกซ้ําตั้งศีลละเท่าแล้วบ่ตั้งบ่สมหวัดมาดนละบ่สมก็ เขาเคยโน้มกาบมาแต่ขาครางเงือตลอนสังเอาเหลืองไอ้เต่าบุญมีวาลานเงือคงสังแล้วเอาตั้งเตใจไปมาจากปากเบาเบาเขาดองใสใจเพื่อคุมเหนือคุมเตะแม่เราใสะบ่อคือตนหนาอ่านวัดว่าเห็โตกไกบ่อเตใจพอดีนาเท้าดีบ่ตน จอยกันทั้ทั้งเตาแอ็นเบือคือเบืเคยได้บวบส่างมียโยมอ่างกะบ่อฟังกะบ่ฟื้นแล้วบอกคยทคันโตต่างเหล่าเนื้ตามนี้ส่งปงใจหมายบอกเขาหลบตัวป่าเนเดือดทานล่ะแทงอยู่นั้นเนงป็นนายไกลสิตไตเป็นลเปหลวงพ่อเอ้สอยโยมเนี่แก่ Chang y e lau cao so v n e n. ท่าบนนี้เล่าหลงทางทั้ง เ, เที่ยวแถาบอยังเล่าเป็นคนตาฟางสร้างลื่นคองว้วดตื่นหล่อเห็นที่แก่สีบอไว้ล่ะหลวงพอ่อบ้ามันก็สีบอพิปานันดอกที่ไม่ออกบนสีเอ้ เป็นจังใดกระเลี่ยวใจโดยไม่ออกบุญสีเอ้ยเป็นนี้เจ้าให้คอยปากคอยเบ้าวคอยเบ้าคอยจ่าคอยบ่าวคอยจ่าวติลงเอคอยปากคอยเบ้าวคอยบ้าวคอยจ่าผมจะผู้เท่าในใจดีทอบอกฝ่ายใจห่ายทอบอกตุ่มตัวไม่ออกบุญสีเอ้ยคอยบอกเหตุผลให้เล่าฟังวติลงพอมนะอกขันต์เป็นยังโดยไม่ออกโดยเปนี่คอยบ้าวคอยากลับเป่นเหี่ยอย่าเลื่อมบอกความสร้างวังหันล่ะอย่ายินบกล่ะสร้างไปวังหันสร้างว่าอันไหกอนลงพอเออบอกว่าพอจานบุญมีมือเออ ยืนด้อบอกให้มาประซุ่มบอกว่าเห็นปมปะซุ่มอยู่วัดอยู่วา่าว่าอัจจามาหลวงพ่อจานทองศาสั่์สร้างไหมหายอยู่วัดบาสันเด้อในเวลาทุ่มหนึง่งจะเกินเ ท, ทน เ, นเทหลวงตาเท่าเจรังคอยอย่าลืมบอกเราน้าอีกแน่ละเวลาหนึ่งทุ่ม เมื่อแรงเมื่ออื่นลงพอเมื่อแรงแล้วเนาะเมื่ออื่นมาก่อนจะไม่เจอฮันหอดไงเอามื่อแรงในลรามาจะหอดไว้เอ้ยเาฝากควมอีกเนื้อเอาฝากความาได้ภูเขาไปหาพระหาเจ้าอย่าไปใดเอาของไปถวายไปหาเจ้าหาหน่ายให้เอาของไปต้อนเนื้อลราวาสันเด้อ มหาพะเอาของมาถวายไปหานายเอาของไปฝากจังสันเอาบ่อนยากเดิ้หลงพอเอากะสันไม่ออกกักขับบ้านกับซองเดือเอาขึ้นเมซ่าไม่ออกบุญศีอายุวรณสุขภะละเดือไม่ออกบุญศีเดืออ่าหลงพอจ้าเกือบลื่มผู้ขาเลื่อมยังอีกนี่ผู้ขาถวายเงินหามือ่งจ่องเสาชลาหาต้นเด้ลหลงพอเดืออ่าหลงหามือ่แมนห่วย เดี๋ยวเดี๋ยวหาปากกาเอาได้อคือใส่นปากาปากาผู้ขารงซื้อไว้ผู้ขาในยายบุญศรีเ ส, ะสะาสระห้าต้นห้าหมื่นวงเล็บส่วนตัวโอ้เ อ, อาเอาพอแล้วเอาซื้อใบยายบุญศรีนโดยบ้านกระเอกใหญ่บริจาค หาเมืองสั่งสลากหาตน้นวงเล็บพร้อมให้ส่วนตัวส่วนตัวเดินลงพอขันเา่าจานออกมาประสมยุวัดเมือแร่งให้ลงพอถามอนันต์ม่ไเด้อจะมีอาหารเมืองพวกมากสิบบแสนสองอขัดสันเอาบอกเป็นอย่างขอบุญขอบคุณเดอที่ย่มสั่งสลาการไปซนสยที่ ย, ย, ย่มซอยในมือ น, นี่ให้ดีได้กูสุขคนอายุวันนาสุขาภราจะคงไม่ออกบุญสีเด้อผู้ขาอาคัทัดสันผู้ขาดสิได้ล่าเมื่อเดินลงพอเด้อเจริญพ้ หลังจากที่ใหญ่บุญศรีได้สนทนากับหลวงพ่อทองสาเสร็จแล้วก็ได้ลากลับบ้านเพื่อที่จะไปบอกจันบุญมีเข้าวัดธทำความดีทังก่อนมาในขณะที่ใหญ่บุญศรีไปถึงบ้านแล้วก็ได้นั่งรอฟังเหตุการณ์ที่จาันบุญมีจะกล่าวนินทานว่าหลายตัวในกัรไปวัดว่าอย่างไรนั้นน้อมจิตใจฟังนิทานเถิดท่านสาธุชนก็มีนาการหลักขังนั้นแลบมุนเน ขันมาใจคังฟังกันไม่จันบุญบดืนได้อยู่ดีกินเดืนอนเพราะว่ามีเงินเสีงนะนบนสนใจกับชาวบ้านพันไปกินใบด้านขั้นกินแล้วก็เมด่อ้อนะัานตั้งเงินแลกเข้าอาหารพร้อมดอกเครื่องกินนีแมน อ, อือเ้ยนัน ท่านต่อได้ก็เมื่อสิ้นโบเห็ น, นกินโลกเกินได้ทานดุ้มไปกันด่านลุ้งยานบอมันเหลือห่างนะท่านสาตังได้เรียนนานขั้นท่านสิบได้ใบเยี่ยมนะเนียนยังโนอนท่านละเมดสิเรียนสิ้นลิ้นเรียนลน้นโบเห็นไว้คงเงินองเขากระเป่าซูน เกียนเห็นเข้าแต่ขังบุญเข้าเมื่อเบิดเป็นสซงคิดเห็นเข้าแต่คังบุญเข้าเมื่อบอนอนวดอบนด อ, อ, อยยนนนกเป็นตัวนาข้าวนำรุ่งของหวานเป็นประสงค์สงข้าบอเห็นหน้าตบุญนั้นจักเป็นโตจังใดแนียง ผู้ฟังเอ้ยอยไขวบวจนมาจนว่าเกลิ่นสี่สิบปีแต่อยู่ยังกันกำพร้อมดอกพรำนินนะน่ะบ่แม่นไขว่นีบ่เลียนบวจนมามากเห็นบุญซึ่งองอมาของเฮือนสวงกาใจเหลือล้นไปส่วนยังทั้งคำอุปปาตมวัดวานตัวไขวน่นะีวนเบื่อน่ะซึ่งองอกมาได้มีเฮียนมีอก็มีบาบามียกเมีบาบากันตนไขย่เบื่อละ ทอบุญศีลตื่นขึ้นมายังบ่ตันไดล่างหนาไพกะตาแมหาสุงลุงกะลุงผ้าโลดดวงพอทองสาานนเกิดเป็นวันถือขันเขาไปวัดว่าจนว่าคำเบียงบอกงานการบ่ตามเงิ้คำมีกะเล่าเกี่ยงกะมาบานตั้งแต่มือ นะคันเอาเงินไปเสื่อพวกเนวอยโย่กองกินกันยังมีเนว่ถือได้มุ่งอยู่เปลี่ยนเมืองนะผู้ฟังเอ้คไขยโบกือกำย า, ยานเกิดเป็นวันเล่าจนจนตืกหลงพอลอกต้มหล่นงมเสืออยนสูนวลัง เมื่อ น, นี่ลาจันบุมี่อยสีบองให้แล้วต้องตวากันเสียเตืนเสียนดีทางบัดหลือวางขันให้มันหัวมนะเห็ยนยาคู่ดีกว่าข่อเพื่อนเฝ้าอย่างเล่ากับเสื้อมนะ่ะบาดว่าเล่าเป็นเมียนไข่เป็นผัวแท้ๆเป็นอย่างเฝ้าบ่เสือฟังบ่เสือฟัง โนะยมผู้นั่งอยู่นี่มีเลยบอคือเมียฉันเกิดเป็นวันอนะาทำบุญหลวดบุญไหว้อยู่หลายเมืองนะ่ะสร้างมบคือโตไข่จานบุญมีบนเหม็นเบื่ อ, นะองนะตั้งวัดไตและวันเหนือไข่ยบไปแท้ๆคันผู้เลี้ยวดอกบวชมาหนะ่านั่ง ขอไปดื้อเมป่ปปาคขณะบาวลุงตาผู้บ่เป็ียนกะไปสาญาสิม า, าอื่นเสินสาเดิ์เส้นได้ไปสิไปกะไปโลนญาสิมาว้าคอยนันหัวลานดอกเลือเอาคุณนะชมคอยมีจังได้ลุดนได้บนนีจากเบียดข้องสรงคอยบ่หลงลืมตัวแต่บท่ทำตามบ่มนะเท่าบุญศีสิรีนั่นต้องปากันขันบ่เสื่อนนะเกนเสื อ, สอว่าเมียเมียน sao sẽ n ê ca đền phò ngư h ứ h à n nàng khoe heo lại đành là nỗi nàng là nỗi บ้านกัเอกใหญ่เอ้ยอันเมียไขอยขั้นไปวัดไปว่าสามมงกับจะโ ง, ง่าาบ้าบานกับมาบานกับมืหนึ่งเข่าเพีนกับไปเพีนสา ม, มงแร่งสี่มงแรงกับมาบ้าบานไปวัดไปว่าเล่าหล่นมันเล่าเร า, เร า, เราดูเราว่าเต่ข่อยเป็นบ้าเฝ่าเฮือนเฝ่าซ่านขั้นเป็นยังสี่มันต้องไปคนละทางย่างคนละบอนแล้วพวกกบเมียหัวฉีดคนละแนว มาเบิ่งกันนาป่าเมียเมือนีละป่าสบนป่าเมียสบนมันคือน้าน่าแท้แ่าบุญสรีนึงมากเมืองธนาแถเแถวมีว่ามีเออหัวใจมาตถึงเถ้าเออมาตืาออาต่นกสิมาถามเพื่อหยังของนั่งยุตเตจตารางเฮื่นนี่แหละแถวเจมาฮอดเต ด, ดนแลวบ่ก็ดนก็ดนก็ได้าินว่าคนรจีป่าข่อยนีละเออ เจ้าว่าังว่าหันเถ่าเจ้าคือว่ายาปาเขาร่องดูคอยพอใจมานานเรืองผัวคนนี้ไปอำเภอก็เลยพี่ไปเลยขาบวตนลตียาบง้อขอขยั่งบยันเตะเอามือแล้วหาขยังใดจะจำผัวซื่อนั่นแต่ว่าเจ้าจิปาเขาบว่าหันแม่เพราะทนกินของง่ายสมบัติคือข้นแห้งแท้อพาแห้งจ๊ไหเขาได้าินี้มาคดจิปาขอเนี่ยละมาเลือกขืนโอ้ยแม่ได้ยินแต่วามไปซื่อ ข้อมโคกบ้านจังไลยขวอมโ ก, ว, มโกว่าจังซีพ่อเนี่ยก็เห็นแม่เขาวัดเข้าว่าจำสินจำพ่อนพอกระลง้งให้ลง้งหน้าลง้งหัวลงสวนก็เลยว่าสีป๋าเวียกป๋างานป๋าให้ปาห๋ปาน่าเขาวัดนํานแม่แ ม, ม่ได้ฟังแต่ขําว่าปา๋าโอ้ใครสียก้าปา๋านอกผู้งามกระดอผู้โจงกระดอ ม, มันเตียนสีไว้คือขําป๋อมเนาะ มังหันมันคือจังหวัดปลาข่อยอยู่เม่อไงาวาปาเชบนปามีอเชบนอมันยังว่าอยู่วิทยุตัวมวิทยุทะแยะอยู่ใส่เจ้าบ่ต้อม้าเบาพอเปิดฟังวิทยุเจ้าบ่ต่อมาเากสเขาขายของขาดอเาพอได้งินเต็มซอหูข่อยม่รังฟังยุ่กระดอกระดิ่งแม้จะได้เจอหูข่อยฟาดเจ้าดราศิป่าข่อยป่าข่อยไปว่าไปว่ามิแต่กินแต่ท่านมันบ่ห่างบ่มีก็เป็นยอข่อยเจ้าว้าจะว่าข่อยยังเถ่าป่ากับป่าหลดเขาบ่ง เถาเอ้ยยาสีเฒ่าเรื่องห่างยาป้ากันพ่อเถาซาแล่แกซาลาเถาซากันก็แห้งแล้วมันซากกันแล้มันดีอยังมีอยังดีขึ้นขันเจ้าป้า ค, คอยไปคอยสีหนึ่งเข่ากินเปลี่ยนบ้องก็แล้วแต่เธอหลับบาดเกี่ยวกับฉันไฟสีซักผายพ่อน้อก็แล้วแต่เธอไฟสีพันยาสูบไม่พ่อนอก็แล้วแต่เธอยามพอ่อวัยดีมีแห่งไฟสีข้ามขี้งพ่อก็เรื่องของเธอสีวางสันตอเถาเอ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันก่อนเนี่ยไม่ซะเถาเอ้ย คือจังอ่อนลงคักแต้เป็นเพ่งถือเทียนแ่เป็นเพ่งถือไฟแต่พอเสืบขีมูกนี่เป็นอย่งแม่ว่าเจ้าหัวบ่อเถ่าบ่ย่านมีอปาอีสิอีสิคือเธอดอกันเมียจปตานน่ะเปลาเนี้ยม่เถาเถาเอ้ยว่าปาบอโอ้ยเจสีบอโทษฉีกโทษเตเนาะ บ่อปลาขอบ่าปาจุกกระย่างหางกมีกับย่นํากันไดนละขันขี่้อยกันไปนละเท่าเอ้ยไปกเจาะมุก็สมพอกันจั ง, ดงใงด ล, งใล่วงไรขันจังใดล่วงไรมวลแต่ลไปดอกหยับเสนหาย้ำเสต่อมไปนําล่มซะเ อ, อลมแหล่งล่มยังซะจช่ไปจะอขึออรรยยน้นว่าขอยกนิ่งดอกทำาวบาว่าหันนะคึ้ว่าพ่อบ่าเรื่องอื่นกับเหลวต่อจะสิไป่า่อเอ้ามันพิดกันบ่รานพนวาหนอนจังซีจังใดเท่าบ่ปลาเหมือนล้งออกไปวัดเด้อฮะ ไปหยางก่อไปวัดไปหยางวัดียเหมือแหล่งาสิกินข่าแหล่งสมบอ่มันบมเนีนข่าแหล่งไปประชุมโยวัดนี่ชุ่มนึ่ี่อยงน้มันบอโอ้ยประชุมกับพอผู้ใหญ่บ้านบ้านกแอกอบตอบ้านกแกกำนันบ้านกแอกกรรมการเงินล้านเงินแสงเขาก็สิไปตัว เออขามีอันอยู่หลอกแถวต่กี้ตะกอนขับมากันสองสามคนเสียคนก็แล้วเอแต่ว่าการประชุมทันีมันเบิดบานเบิดเมืองขาดไภัยขาดใดแต่ว่าขาดเจ้าเนี่ยมันขาดบ่อได้แถาการประชุมทันีเจ้ามันเป็นคนสําคัญตัวเแ่าขาดคอยบ่ไร้เมียนคอยเป็นจานเก่าจังสันเจ้าอาวาสเก่าเมนเน่าเแ่าเออโอ้ยคือไปตะปวดเข่าถึงมาแร้นี่แม่ฮะ แต่ปวดเข่าอยู่ขว่างๆทบหนึ่งหนึ่งปวดเข่าจะเอาเข่าย่างอย่บอกเอาขาย่างจะกระเจะว่าด็ดปวดขาไหมมันขึ้นหอดคุ้มตาไปได้เถ่ากนปวดเข่าเนี่ยให้ไปเถ่าเถ้ยอาว่าไปบ่อยบ่อยบ่มพระบ่มัดหนึ่งหนึ่งกับว่าไปก็สองสามว่าไปเออปป้ายังเถ่าตาผัว เฮ้สีปาผัว pues <Mm บ้านก็เอกบอกขอยี่นเราีป้าเจ้าเจ้าบไปปทุมรดมืรงนี้ป้าเถนนอนหปะซบปะซบเฮ่ยมาหาลอกแนวนั้นนี่มันบ่เม่นนเม่นเ่ยาหาเาดวใครเล่าคักนี่แหละปาเถนนอนเถาเขาจ้าบอไปปทุมจรวดนี่เขาบ่งินบอเนี่จับกระเป๋าขึ้นให้เงมาีาก็ีไปหาผัวหมตเนาะ เ้าเศร้านางลงเถานางลงพ่ไก่เด้อบริสเสียค่ารถพ0บาทเด้อมาน้องเงินหอยเด้อไปไปไปพ่อจีไปยีดอกบ้างกระเป๋าลงเสาก่อนไปแทบบอกไปแทบไปจริงไปแท้ไปแน่ไปนอนวางกระเป๋าลงก่อนเมียจ๋าเออเอาเจ็ดสี่ตัวเจ็ดสิเป็นตัอันเดีอยู่กัน ม, มุมเนออรักเมียต้องเชื่อเมียออเพราะว่าเมียนั้นยิ่งใหญ่รักเมียต้องเชื่อเมียเพราะว่าเมีย เ, เหนือกว่าใคร ทุกคนปวดจําไว้เกิดชาติใหม่อย่ามีเมียเออขังว่าเขาเอาแต่งห่อยาให้พ่อเถ้าเออเอาหนีห่อยานีผัดชะลงลุงเอานี่ผัข้าวมาข้าวมัดข้อเอาเออเอาเจาะใดยังกินแรงแต่งนั่กินไว้ได้พ่อสิกามไม่กินแรงได้แถวเด้อ อดศีลรมไมากินเร่งยงดิฟิดิ้งเอากระกรมมากินแรี่ยงเออจ้าจะกินเร่งนี่จากไปได้ทเท่าเลยแต่ป้อยางถอดแล้วก็สีเอาไว้ดอกพลปะทูนั่นนะเออโอ้ยจงไว้ดอกแต่ไร้ววมันนะเมื่อได้กิปพลแต่ปะทูมือได้กิดลแต่ปะทูบัดเอาไปวาดคือปีงไก่นาะปนปะทูตัวมันดีตัวเท่าอาหารทะเลนัน่นนะมันบเป็นอันข้อพอกตัวเท่าไม่ว่าใครนาจูบกินแต่พลปะทูหลายมันดีจำพลปะทูนั่นละมันแหงมันแรงกินพลปะทูไปก้อนเท่าน้ามีแม้ก็ไม่ อันปลาอยู่หัวอยู่น้านันก็คือตะกี้ตะเกาดอกเถาโอจิตปลานอนห้างแม่นปลาทูปลาทูเดี๋ยละไข่อยู่บริกรกินไข่สั่งกิโลอืออ่าไปเถาเ่าเด้อไปเ่าไปเมื่ออาจารย์บุญมีถูเมียคลองตนบังคับให้ไปวัดเสียนอดือดดันในใจไม่รู้ว่าจะทําอะไรหลวงพ่อทองสาจึงเรียกหาเมื่อถึงเวลาด้านใหมายก็แต่งกายออกไปวัดเมื่อไปถึงแล้วก็ไม่เห็นใครนอกจากหลวงพ่อทองสาองค์เดียวจึงพูดออกไปว่า ว่ายประซุ่มจังได้มันคือบ่มีขู่มีคนเนาะฮะนี่คือมีแต่หลวงพ่อองค์เดียวหลวงพ่อหลวงพ่อเออเฮ้ยมันคือนอนเตวินแต่นอนกินเลยเอน็นเพศละนอนดับบ่าน้อผ่านในใจมันสบายครกบนอนก็ไม่นอนหาขมาขมากมันตกไปใสดหลวงพอหันเนี่ ย, ยกนอบอกไปตาตาบอดีแต่นอง เสยลผู้ห่้อยดูข้งล่างเสียงพู้อาจารย์หรือเสียงผู้ใอจยอาจารย์จานีเจ้าอาลวาดเขาโอ้เจ้าอาลวาดเขามาบอกมัน้องมาแย่งตาแหน่งปุ๋ยเถอะน้องาเมื่อกีเอ้าขึ้นมาทั้งปีผู้อาจารย์มากมากมามาลังมาลัน้ำกันซะก่อนผู้อาจารย์เอ้ามาคือมาเกล่อนแต่พอ่อาจารย์ โดยผู้ข่าข้อกับน้ำมาสการนงพอเอจอเลื่อนพอโยมพอดจานเอออันเซยและหลวงพ่อคือว่าประซุ่มคือพวมีคนจากคนอย่างป๋าซุ่มเออคือว่าประซุ่มคือมีแต่หลวงพ่ อ, อพุทธโยมพอดจานเออเดี๋ยนี่จะว่ามันจะทุ่มเดี๋ยนี่บอกเออซีทุ่มกวัว เขาว่าปทุมเจ้าปทุมเจักทุมเถาบุญศรีปฐุมหนงันนี้มันเกินมาจากทวโสมสหน่วยค่ายังยูบริเ ท, ทางมากสามมาเผามาวังแต่พญจาร์เลยมันข่าหัวเขาค่าขา ข, าข้านั่นข้านี่ลงทงล่องท่าโซิกับขามาบาจังบตันกินหอดขาแงงลงเสด็หลวงพ่อเดี๋ยวนี้้ยโยมพอจาร์เอ้ย